ب س م الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا ع د و ا ن إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ب ن ه د ى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ن ك ا ف ر و ن رب ا ش ر ح ل ي صدر ي ويصر ي أمري วเ ه ล่ ة ي ي ق ه ق ่งอักด์เด็มมิลิ قه วโควลิอ์อามะบัดสุลามุอะลัยกุมุบรห์นะตุละห์วะบรุ ا ัตุฮ์อัขอบคุณในเนื้มายความโปรดบานที่อัลลอฮ์สุพรรณุตลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้กันต่อในวิชา ตับซีรจากหนังสือตับซีรของท่านเชค m u h a m ออ d b อ n Saud Al Anwasi m i n u r a h i m u l l o ต t อ a ลาครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของท่านเชคนะครับได้ทำการคัดลอกจากเทปนะครับที่ท่านได้ทำการอธิบายได้ทำการตับซีรเอาไว้แล้วก็ คัดลอกออกมาเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็บันทึกเป็นรูปเล่มมีหลายยุสด้วยกันนะครับที่ท่านเชคได้ททำการตั้บซีดเอาไว้แล้วผมก็ได้เลือกเอายุสอ ม, มานะครับมาสอนแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้คุยกันไปพูดคุยกันไปในหลายสเระแล้วนะครับตั้งแต่เสเระอันนบะอัล ม, มาใหตะสลูนแลวก็อันนาซีอาตนะครับ สุราอบบสะเล้วก็าวสุราอัตตะควิรวันนี้นะครับก็จะจบสุราอัตตะควิรตั้งแต่อายะที่ยี่สิบสองจนถึงยี่สิบเก้าอินชาอลอฮฺ ت ع ا ل อายะนี้นะครับอัลละทรงตรัสเอาไว้ว่าตั้งแต่อายะที่ยี่สิบสอง วะมาซอฮิบุกุมบิมัจจนูนวะมาซอฮิบุกุมบิมัจจนูนหลังจากที่ท่านนาบีมนะุฮัมมัดสุลลัลฮวาแล้วสัลลัมเนี่ยท่านได้มาทาการเผยแผ่อันอิสลามเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์สุลฮะตลาแตเพียงผู้เดียวได้พูดถึงสิ่งเลนลับทั้งหลายที่อัลลอฮ์สุลฮะตัลาได้เปิดเผยได้วะฮีมาให้กับท่านนาบีได้ลง คำวิวร์คำสั่งบัญชาใช้จากลอสสุมานุตาลาผ่านท่านจิบรินมาให้กับท่านนับีเนะี่ยแล้วก็ได้ไปบอกกับบรรดามุชริกทั้งหลายถึงการฟื้นคืนชีพถึงสิ่งเลึกลับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสวรรค์นรกการความศรัทธาความเชื่อต่อมวลมาลาอีกอะต่อลอสสุมานุตาลาการมีอยู่จริงของลอสสุมานุตาลาแล้วก็อีก หลายหลายประเด็นนะครับอีกหลายประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหลักศรัทธาพวกเขาก็ต่างได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็ต่อท่านอับีมมฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮีสซาลฺมแล้วก็ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนานาให้กับท่านอบีมมฮัมมัดสุลลัลฮฺอัลลอฮีสซาลฺมทั้งๆที่ว่าท่านอับีมมฮัมมัดนั้นได้มีชีวิตอยู่กับพวกเขาเนี่ยนะครับมาเป็นระยะเวลายาวนานเป็นลูกหลานสืบ เชื้อสายวงตระกูลนะครับที่มีเกียรตินั่นก็คือตระกูลกุเรชพวกเขาเห็นท่านนาบีมาตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะครับนบีมหามะฮ์มมัดสุลแลมเป็นเครือญาติของพวกเขาเป็นลูกหลานของพวกเขาเขาพวกเขานะครับาชาวกุเรชเนี่ยคนอาหรับในยุคนบีนะครับได้ให้ฉายากับท่านนาบีว่าอันอามีนแน่นอนครับ คนที่ได้รับฉายาว่าอันอามีนคนที่ซื่อสัตย์คนที่ไม่เคยโกหกคนที่มีแต่ความดีงามมีแต่ความยุติธรรมมีแต่คนยกย่องสรรเสริญ น, นะครับได้ฉายานี้มาถึง40สปีไม่เคยมีใครไปแตะต้องฉายานี้เลยว่าเป็นคนโกหกนะครับหรือว่าเป็นคนกลับกรอกแต่พอท่านอับดุลเบบีมหามะฮ์มมัด ส, สุลแ ล, ล, ลมได้นําเอาอิสลามนําเอาตัวฮีด นำเอาการให้เอกภาพต่ออัลลอสุฮาบนตะอาลานำสิ่งที่พวกเขานั้นปฏิเสธนะครับมาเผยแผ่มาเรียกร้องพวกเขาไปสู่อัลลอสุฮาบตาลาพวกเขาก็ตั้งตั้งฉายาให้กับท่านนาบีนานานับประการไม่ว่าจะเป็นมัจญูนนะครับเป็นชาเอร์เป็นคนบ้าเป็นพวกนักกวีนะครับทั้งทั้งที่พวกเขาก็รู้ว่า ท่านอบมีมมุฮัมมัดสุลลัลสลามนั้นอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนะครับแต่อัลลอฮ์สุฮาตราได้ทรงประทานนั้นกุรอานเป็นถ้อยคําที่สมบูรณ์แบบเป็นโวหารที่ลุ่มลึกมีความสวยงามในทุกแง่ ม, มุมทั้งในด้านของอาวาทะในด้านของภาษานะครับในด้านของความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งชาวอาหรับทั้งหมดนั้นถูกท้าทาย ด้วยกับโมจิซาตอันนี้นั่นก็คืออันกรุรอานและก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออันกุรอานที่มีความลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยนะครับถูกประทานมาให้กับคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าน บ, บีมโลโลุฮัมมัดสุลตานในสารนั้นไม่ใช่ชาเอิไม่ใช่นักกวีผู้ที่แต่งกราบกรอนนะผู้ที่แต่งโครงกรผู้ที่แต่งเนื้อหาภาษาอ раб ได้สวยงามและลึกซึ้งแบบนี้ได้ แน่นอนว่าสิ่งนี้จะต้องมาจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งแม้แต่กระทั่งกุตาบุลวาฮีผู้ที่บันทึกวาฮีผู้ที่เขียนนะครับบันทึกให้กับท่านอบีทุกครั้งที่วาฮีถูกประทานลงมาเนี่ยท่านอับดุลเบิดมหัมมัสลลัมจะมีกุตาบุลวาฮีบรรดาผู้ที่บันทึกวาฮีเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะนะครับเขียนถ้อยคําที่ลึกซึ้งขนาดนี้ได้แม้แต่กระทั่งชาอ ตัวจริงนะครับนักกวีตัวจริงในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีใครสามไม่มีใครที่สามารถจะเขียนถ้อยคำที่สวยงามและลึกซึ้งเหมือนอันกุรานได้เลยและลอสซงตาลก็ท้าทายนะครับมาพัน0ี่อกว่าปีถึงบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาเนี่ยมาแต่งอันกุรานขึ้นมาให้เหมือนกับอันกุราน นะครับแต่งคัมภีร์ขึ้นมาให้เหมือนกับอัลกุรอานให้เป็นภาษาหรับให้มันลึกซึ้งให้มันสวยงามจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่สามารถมีใครจะรวมหัวรวมตัวกันแต่งอัลกุรอานได้แต่งคัมภีร์ขึ้นมาเหมือนกับกับอันอลกุรอานได้เลยถ้าหากว่ามีคนรวมตัวรวมหัวกันอลัลลอฮ์ทรงตราาท้าทายทั้งยินและมนุษย์นะครับอลัลลอฮ์ไม่ได้ท้าทายเพียงแค่มนุษย์อย่างเดียวแต่อลัลลอฮ์ทรงหามตระหนั้น ท้าทายทั้งยินและมนุษย์ให้รวมหัวกันมาแต่งอัลกุรอานมาแต่งคัมภีร์ขึ้นมาให้สวยงามให้สวยงามและลึกซึ้งยิ่งกว่าอัลกุรอานไม่ต้องลึลกซึ้งยิ่งกว่านะครับอัลลอฮฺสุต้าใช้คำว่ามิสลาหูให้เหมือนกับอัลกุรอานก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำมันได้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นโมจิซัดและก็เป็นสิ่งยืนยันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุต้าทรงปกป้องท่านอับดุลเบี๊ยา น, น, านั้นไม่ใช่ชาเอิ แต่พวกเขานั้นก็พอพอพวกเขาถูกท้าทายนะครับและอัลลอฮฺสุต้าปกป้องว่านาบีไม่ใช่ชาอิเนี่ยพวกเขาก็เลยตั้งฉายาหลายๆฉ า, ายาเพื่อที่จะดิสเครดิตให้ลดความน่าเชื่อถือของท่านนาบับีว่าท่านอบีุลเบียเป็นมัจเจนูนห้ามมันในมันบ้าไปแล้วนะครับโตขึ้นมาตอนเด็กๆ ก, ก็ยังดีอยู่โตขึ้นมานั้นบ้าไปแล้วนะครับได้พูดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนนําสิ่งที่เรา นำสิ่งที่มันขัดกับแนวทางของบรรพบุรุษเราเนี่ยมาสอนมูฮัมหมัดมันบ้าไปแล้วนะครับไม่เคยมีใครเป็นเหมือนมุฮัมหมัดมาก่อนแล้วอัลลอฮ์ทรงอันตรายก็ทรงปกป้องท่านนะบีนะครับเราจะเห็นได้ว่าอาัรรลลอฮ์ทรงอันตรายเนี่ยปกป้องท่านอบีปกป้องบรรดานะบีปกป้องบรรดาผู้ศรัทธานะครับไม่ได้ปล่อยให้ท่านอบีนั้นใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพังโดยเผชิญกับความอันตรายหรือ การทำร้ายการเขยวเข็นข่มขู่นะครับของบรรดามุชิลิกีนแต่ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านสลัมนั้นได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์สุลฮะตาลาไม่ว่าจะเป็นการส่งมาลายกามาปกป้องส่งความช่วยเหลือและแม้กระทั่งดํารัสของอัลลอฮ์สุลฮะตาลาก็ส่งตรัสด้วยกับการตรัสที่ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ของท่านนบีว่าวามาซฮ์ให้บุกุมบีมาเจนูน เพื่อนของเจ้าพี่น้องของเจ้าคนนี้นะครับอลัลลอฮ์สุลตาราใช้คาว่าวะสมาซอฮิบ um ุกุมเพื่อนของพวกเจ้าทั้งหลายนะครับตรงนี้พาดพิงไปยังกลุ่มชนของพวกเขาว่าคนคนนี้เป็นคนของพวกเจ้าคนคนนี้มาจากกลุ่มชนของพวกเจ้าคนคนนี้นั้นเป็นเครือญาติของพวกเจ้าเขาไม่ใช่คนคนบ้านะครับนบีมุฮัมมัด ส, สลุลต์ัลมันเป็นคนที่มีสติปัญญา เฉียบแหลมเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลิศนะครับในกลุ่มชนที่ทุกคนยอมรับแต่วันนี้นะครับพวกเขาต้องการที่จะลดความน่าเชื่อถึงของท่านอบีพวกเขาก็ต่างใส่ใส่ร้ายท่านอบีใส่ร้ายท่านอ บ, บีต่างๆนานาทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยสิ่งที่พวกเขาพูดมานั้นไม่ได้เป็นความจริงเลยและพวกเขาก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พวกเขาต้องการทําลายนะครับนักด่าอีนักทํางานศาสนา คนที่ทํางานศาสนาและคนที่ทํางานศาสนากําลังได้ผลต่อสังคมโดยเฉพาะอางท่านนบีมหามะสุลสลัมเนี่ยท่านกําลังเรียกร้องผู้คนและผู้คนสนใจที่จะหันกลับมาสู่ศาสนาที่แท้จริงนะครับอย่างมากมายวอยเดอรคูลูนีฟีดีเนลไลอัฟวาจะผู้คนต่างเข้ารับศาสนาของรัช ส, ส, สมุทรตะลายอย่างมากมายนะครับแต่ด้วย ก, ว ก, การที่พวกเขานั้นเห็นผู้คนเข้ารับอิสลามอย่างมากมายเนะี่ย พวกเขาจะทำทุกวิธีทางถึงแม้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นจะเป็นเรื่องโกหกทั้งๆ ท, ที่พวกเขารู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่โกหกการใส่ร้ายท่านนบีการประนามนะครับการด่าทอเพื่อที่จะให้คนเนี่ยถอยห่างจากท่านนบีพวกเขานั้นต่างหาวิธีมาทำโดยการตั้งฉายาก็มีการทำร้ายท่านอบบีก็มีสุดท้ายแล้วก็วางแผนที่จะฆ่าท่านอับดุลเบี๋ยมหามสลิมสลามให้นะครับหมดเสี้ยนหนามไปจากเมืองมักกะ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะทํามันได้เพรอัลลอฮ์สุลฮานตาลาทรงปกป้องนะครับบุคคลที่อัลลอฮ์สุลตาลาทรงรักนั่นก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลามสลัมและก็บรรดานาบีทั้งหลายและก็บรรดาสฮฮะบะบรนดาผู้ศรัทธานะครับอัลลอฮ์สุลตาลาทรงปกป้องบุคคลเหล่านี้ดังนั้นเมื่ออัลลอฮ์สุลฮานตาลาทรงปกป้องท่านนาบีเนะี่ยหน้าที่ของเรานะครับในในสถานะที่เราเป็นบ่าว ของอัลลอฮ์เป็นอุมมะประชาชาติถ้าหากว่าท่านนาบีถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีนะครับถูกบิดเบือนคําสอนของอิสลามของท่านนาบีเนี่ยเราในฐานะของอุมมะประชาชาติก็ต้องออกมาปกป้องสุดความสามารถนะครับว่าวันนี้มีคนบิดเบือนมีคนใส่ร้ายมีคนกล่าวร้ายต่อท่านนาบีเราก็ต้องมาชี้แจงความจริงเหมือนกับที่อัลลอฮฺตราสส่งสอนเราไว้ในอันกุรอานว่า วามาซอให้บุกุ้มบีมัจจนมุฮัมมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนบ้าเลยเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมนะครับเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลิศและพวกเจ้าก็รู้ดีว่าสติปัญญาของมุฮัมมัดเป็นอย่างไรแต่พวกเจ้าก็ใส่ร้ายป้ายสีนะครับคนของพวกเจ้าเองญาติของพวกเจ้าเองวามาซอให้บูกุมเพื่อนของพวกเจ้าญาติของพวกเจ้า ยาสนิดมิสหายของพวกเจ้านะครับเขาไม่ใช่ใครเลยเขาเป็นคนของพวกเจ้าเป็นเครือญาติเป็นคนที่พวกเจ้ารู้จักดีนะครับและรู้จักดีถึงอามานะรู้จักดีถึงสติปัญญารู้จักดีถึงความเป็นมุฮัมมัดสโลลล์สลัมแต่พวกเจ้าก็ใส่ร้ายต่างๆนานาอย่างมากมายแล้วเราสุฮาห์ตระลาก็ได้เล่านะครับถึงท่านอาบีมุฮัมมัดสโลลล์สลัมถึงบทบาทถึงบททดสอบที่ อัลลอฮ์ทรงตาลาให้ท่านนาบีได้เห็นน่ยแล้วนะครับบางเรื่องบางราวเนี่ยนะครับหรือว่าหลายๆประเด็นเลยจะมีแต่นบีเท่านั้นที่ได้รับรู้และนบีต้องเอาสิ่งที่นบีได้รับรู้นะครับเพียงลําพังเนี่ยมาบอกกล่าวให้กับคนที่เขาปฏิเสธศรัทธาว่านาบีได้เห็นอัลลอฮ์นะครับนบีได้นบีไม่ได้เห็นอัลลอฮ์นบีได้พูดคุยกับอัลลอฮ์นบีได้สารจากอัลลอฮ์นะครับ นบีได้รับรู้ถึงสิ่งลึกลับทั้งหลายนบีได้เห็นถึงสิ่งลึกลับทั้งหลายนบีได้เดินทางจากนะครับมักกะไปสู่ไบตุนมักดิสและก็จากไบตุนมักดิสขึ้นไปพบกับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้ไปรับวาฮีเรื่องการละหมาดนบีได้เห็นเจบริ้ด้วยกับตาของท่านและก็ได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงนบีต้องเอาสิ่งลึกลับเหล่านี้มาบอกให้กับนะครับบุคคลที่เขาปฏิเสธศรัทธาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากให้กับท่านนบี แล้วก็น บ, บีอยู่ในยุคป่าเถื่อนที่ผู้คนนั้นมีแต่ความงมงายและน บ, บีต้องมาเรียกร้องผู้คนไปสู่การเตาฮีตต่อรถสมตลาแต่เพียงผู้เดียวนะครับในในระหว่างเครือญาติของท่านน บ, บีและเป็นบุคคลที่อยู่แนวหน้าของสังคมเป็นบุคคลที่เรียกร้องไปสู่ความงมงายแต่น บ, บีต้องมาเรียกร้องคนเหล่านี้ไปสู่เตาฮีตถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายกับท่านน บ, บีมหามะซุลลัลสลามในท่ามกลางยุคป่าเถื่อน ที่มีแต่ความรุนแรงมีแต่การเข็นฆ่านะครับถ้าหากว่ามีใครมาเรียกร้องสู่สิ่งที่ขัดกับผู้นําของเขาเนี่ยก็จะถูกทรมานถูกเนรเทศถูกทําร้ายถูกเข็นฆ่าทันทีแต่ด้วยกับท่านนาบีมหมาสมะซุนสลัมเนี่ยเป็นเครือญาตินะครับเป็นลูกหลานดังนั้นก็จึงมีบุคคลที่ลุกขึ้นมาปกป้องท่านนาบีและเป็นบุคคลที่คนเหล่านั้นเก่งใจไม่ว่าจะเป็นอับดุลมุตาลิปนะครับหรือว่าอบบูตาลิปเนี่ย เป็นทั้งปู่เป็นทั้งลุงของท่านนาบีนะครับอับบูตอริบนะครับก็เป็นเป็นพ่อของท่านอาลีนะครับอาลีบินอบีตอริบก็เป็นลุงของท่านนาบีอับดุลโมตอริบก็เป็นปู่ของท่านนาบีทั้งสองนั้นปกป้องท่านนะบีนะครับไม่ให้ใครมายุ่งมาให้ไม่ให้ใครมาทํำร้ายท่านนาบีมหามัสซอลลัลฮุอัลลอฮิซัลลัมตรงนี้ถึงอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นบททดสอบที่พวกคนเหล่านี้นะครับ ไม่พอใจที่ท่านนาับีเอาสิ่งเหล่านี้มาสอนแล้วก็พยายามที่จะเข้นฆ่าท่านอบีแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทําไม่ได้อัลลอฮ์สุลตาลาก็ได้บอกนะครับว่าท่านอบีได้พบกับสิ่งใดบ้างว่าละกัดรออาหุบินอูฟูกินมูบินนะครับอัลลอฮ์สุตลตาราให้นบีเนี่ยได้เห็นถึงสิ่งลึกลับหลายอย่างนะครับแล้วก็ให้ท่านอบีนั้นได้รับสิ่งที่เป็นมั่วจีสัตสิ่งที่เป็น เอ่อก่ความสิ่งที่มาการันตีว่านาบีนั้นไม่ใช่บุคคลธรรมดานาบีนั้นเป็นาศาสนทูตที่แต่งตั้งมาจากอัลลอฮ์สุฮันตลาอัลลอฮ์จึงได้ส่งอัลกุรอานมาให้กับท่านนาบีเป็นมุเอจิศาตนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่บรรดานาบีทั้งหลายนั้นจะได้รับการรับรองการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะครับมาเป็นสิ่งการันตีว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ได้แอบอ้างบุคคลเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์จริงอัลลอฮ์สุฮันต阿าจึงให้มีมุเอจีศาตมากมาย นะครับหนึ่งในนั้นก็คืออันกุรอานและกุรอานนั้นยังเป็นมุเอจิซาดที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ให้มาสนับสนุนบรรดานาบีนะครับมุเอจิซาดสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาเพื่อสนับสนุนการันตีว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนที่แอบอ้างตัวว่าเป็นนาบีแต่เขาเป็นนาบีจริงๆ จ, จึงมีสิ่งมหัศจรรย์ น, นั้นมาสนับสนุนซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่ไม่มีพ่อมดหมอผีหมอดูหมอเดาคนไหนจะสร้างขึ้นมาได้ไม่มีนักมายากลคนไหนจะสร้างขึ้นมาได้เหมือนกับนบีมูซาใช่ไหมครับที่มีไม้เท้าโยนลงไปแล้วกลายเป็นงูจริงๆมากินงูเชือกของบรรดานักมายากลทั้งหลายจนนักมายากลทั้งหลายรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่มายากลแต่เป็นสิ่งมัศจรรย์อย่างแท้จริงทุกคนต่างก้มกราบสุยู่ต่อรถสมหานตะลานาบีมุฮัมมัดก็มีโมจิสาตและโมจิสาตที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของนบีมหามัตและก็ยังคงมีอยู่จนถึงวันเกียร์มาสิ่งที่อัลลอฮ์สนับสนุนว่าชายคนนี้เป็นนบีอย่างแน่นอนนั่นก็คืออันกุรานที่มันยังอยู่กับเรามันยังอยู่เบื้องหน้าเรามันยังเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับนั่นก็คืออันกุรานและจะมีอยู่จนถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์สุตารส่งสัญญาเอาไว้ว่ามูจิาษานี้จะถูกรักษาพิทักษ์เอาไว้จนถึงวันเกียร์มาอัลลอฮ์สุตาร์บอกว่าท่านนบีนั้น ได้เห็นรออาหูนะครับได้เห็นจิบรีนนะครับได้เห็นจีบรีนณขอบฟ้าอย่างชัดแจ้งคําว่านาบีได้เห็นจีบรีนเนี่ยท่านเชคุซัยมียนบอกว่าไอรออามุฮัมมัดุนจีบรีล่ะบินอุฟูกินมูบีนเห็นจิบรีนณขอบฟ้าอันชัดแจ้งหมายถึงท่านอบีตอนนั้นนะครับท่านอบีได้อยู่บนพื้นแผ่นดินนี้นะครับและ ในยิบรินก็ปรากฏรูปร่างที่แท้จริงที่อัลลอฮาสร้างเขาขึ้นมาคุลิกอะไลฮานะครับที่อัลลอฮฺสร้างเขาขึ้นมารูปร่างที่แท้จริงของยิบรีนแต่ตอนที่ยิบรีนมาหานัลลเนี่ยแล้วก็มาสอนอิสลามให้กับท่านอัลนะครับหะดีสยิบรีนนั้นยิบรินมาในรูปร่างของชายคนธรรมดานะครับเป็นมนุษย์ธรรมดาผมเเผ้านะครับเรียบสวยงามนะครับ แล้วก็เสื้อผ้าขาวโพลนเดินเข้ามาหาท่านอบีตอนนั้นเป็นรูปร่างของชายแปลงกายมาเป็นรูปร่างของคนปกติธรรมดาแต่ท่านอับดุลเบี๊ย์มุฮัมมัดสุลตัมได้มีโอกาสเห็นรูปร่างที่แท้จริงของยิบบอรี่เนี่ยสองครั้งด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งในถ้ำฮิร์ร็อนะครับถ้ำฮิร์ร็อแล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนที่เมียร์ชขึ้นไปพบกับอัลลอฮ์สุบฮานหัวต่อาลา ไปรับวบิหาของการละหมาดนะครับท่านอบีก็ได้เห็นรูปร่างที่แท้จริงซึ่งซึ่งมี600ปีกด้วยกัน600ปีกนะครับปีกเดียวของยิบริษนั้นมันยิ่งใหญ่จนกระทั่งว่าใหญ่เท่ากับทิศตะวันออกไปจนถึงทิศตะวันตกนะครับมันปิดชั้นฟ้า น, นี้ทั้งหมดแค่ปีกเดียวแต่ยิบริษมีถึง600ปีกด้วยกันนะครับแล้วตัวของท่านจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่คือปีกทั้ง600 นะครับแล้วตัวของท่านจะใหญ่ขนาดไหนท่านอับดลีมห์มห์มุสลัมได้เห็นนะครับรูปร่างที่แท้จริงนะครับวามาหัวไ <c oughs> อรันร้อยบิบีนดบีดอนีนและท่านนาบีมหมห์มสุสลัมลองวอะไรว่าววสัตย์ลมนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุตตะละก็ยืนยันอีกว่าและเขามุฮัมมัดนั้นไม่ใช่เป็นคนที่ตรนีในเรื่องสิ่งลึนลับ นะครับคำว่าตรณีในเรื่องสิ่งเล้นลับเนี่ยแปลว่าอะไรคือท่านนบีมุฮัมมัด ส, สุลต์สลัมนั้นเป็นผู้ที่จะไม่ถูกสงสัยในสิ่งเลึกลับทั้งหลายที่เขาได้มาบอกกล่าวนะครับนี่คือการยืนยันของอัลลอฮ์สุลาว่าสิ่งใดก็ตามที่นบีมุฮัมมัดพูดขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเร่บเรื่องสิ่งเลึกลับในสิ่งที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นแต่แอลัลลอฮ์สุลตาได้ประจักษ์ให้กับท่านานบีแต่เพียงผู้เดียว ทิ้งต่างๆเหล่านี้ที่ท่านนาบีมาบอกต่อมาบอกกล่าวนั้นให้รู้เล ย, เลยนะครับว่านาบีนั้นจะไม่ถูกสงสัยในสิ่งดังกล่าวเพราะท่านนาบีนั้นเป็นอันอามีนเป็นคนที่พูดจริงเป็นคนที่สัต์จริงเป็นคนที่ไม่เคยโกหกและเป็นคนที่ได้รับวาฮีจากลอซุมตลาอย่างแท้จริงถึงแม้ว่ากุฟาตมุชิลิกี น, นะครับจะขำขันในสิ่งที่ท่านนาบีมาบอกกล่าวดูถูกเหยียดยม้มต่างๆนาๆนานะครับบอกนบีบ้าไปแล้วนบีเป็นคน เป็นคนเป็นนักกวีเป็นคนที่แต่งกาบกนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงที่สิ่งที่น บ, บีมาพูดแต่บรรดาซอฮบะนะครับเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้แล้วอลัลลอฮฺสุตระได้การันตีและยืนยันว่าน บ, บีมุฮัมมัดนั้นเป็นบุคคลที่พูดจริงพวกเขาก็สัตธ์จริงและเชื่อนะครับน บ, บีมุฮัมมัดสุลตาร์สัลัมทันทีถึงแม้ว่าคนกุฟานมุชิกินจะมีมากกว่าบรรดาซอฮบะจะมีน้อยกว่าแต่คนเหล่านี้เขาก็มีความเชื่อในตัวท่านน บ, บี อย่างร0 0เปซเหมือนกับเหตุการณ์ที่อลัลลอฮ์สุฮาห์ตาลาได้ให้ท่านนาบีเนี่ยนะครับเดินทางอิสระและมีอัอฮในยามค่ำคืนนะครับให้จิบบรินพาท่านนาบีเดินทางจากมักกะใบตุลลอห์กาบานเนี่ยนะครับไปสู่ใบตุลมักลิสเยรูซาเล็มหรือว่ามัส j ิอักซอและณจุดนั้นนบีก็ขึ้นไปพบกับอัลลอฮ์นะครับอีกเจ็ดชั้นฟ้าและไปพบกับอัลลอ์ไปรับ คงอวะฮีคำสั่งบัญชาใช้เรื่องการละหมาดเนี่ยในยามในคืนเดียวนะครับซึ่งใครได้ยินก็ไม่มีใครเชื่อแต่นบีเอามาพูดนะครับให้กับคนมักกะฟังทุกใครทุกคนไม่มีใครเชื่อเลยแต่พอนะครับพวกเขาก็ไปถามอับุบักถามว่าเจ้าเชื่อที่มูฮัมหมัดพูดไหมเดินทางในคืนเดียวขึ้นไปห า, อาลอกถึงเจ็ดชั้นฟ้าไปหานะครับจากมักกะไปสู่ไปสู่ มสดิดอักรสเนี่ยคืนเดียวพวกเขาก็ไม่เชื่อแล้วแต่นี่นาบีบอกว่าขึ้นไปอีกเจ็ดชั้นฟ้าไม่มีใครเชื่อเลยนะครับแต่ไปพอไปถามท่านอบูบักอบูบักบอกว่ายิ่งกว่านี้ฉันก็เชื่อนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยท่านนาบีจึงตั้งฉายาอบูบักว่าอัศสสิ ด, ดีกนะครับอบูบักอัศิ ด, ดีกผู้ที่เชื่อท่านนาบีมหามัสซอลลัลฮุสสลัมผู้ที่ยืนยันผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนความสัตย์จริงอยู่กับผู้ที่สัตย์จริง ผู้ที่เชื่อนะครับท่านนบีมหมะฮสลัมไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะนบีจะพูดอะไรนะครับถ้าเป็นวะฮีจากอัลลอ์พวกเขาจะเชื่อทันทีนะครับแล้วก็อายะต่อมาวามาหัวบิเกาลิเชยตนิรรอจีมนะครับอัลลอฮ์สุบตะลาได้ทรงยืนยันการันตีปกป้องท่านนบีนะครับ หลายต่อ ห, หลายครั้งหลายต่อหลายอายะดํารัฐของลอสุตตาร์ปกป้องท่านนาบีนะครับพวกเขากล่าวว่าเนี่ยเป็นคําพูดของชัยตอนบ้างอันกุรานเป็นคําพูดของนบีบ้างเป็นคําพูดของนักกวีบ้างนะครับเป็นคําเพ้อของท่านนบีบ้างนะครับนบีเพ้อจึงพูดมันออกมาบ้างลนะ อ, อสุตตาร์จึงตัดว่าวามาฮุอาบีเกลีชัยตอนนร์รอจิมอันกุรานนี้ไม่ใช่คํากล่าว ของชายตอนที่ถูกสาบแช่งนะครับนะครับก่อนหน้านี้อันลัตสุนตลาบอกว่ามันไม่ใช่คํากล่าวของรอซูลินการีมว่ามาหัวอิว่มาหัวเบเกาลรอซูลินการีมใช่ไหมครับในอายะห์ก่อนหน้านี้ที่เราอ่านอ่าขออภัยนะครับอินนาฮุลเการุรอซูลินการีมแท้จริงแล้วมันเป็นคํากล่าวของ เทวทูตที่มีเกียรตินั่นก็คือมาอะไรอีกอะและในบางอายะอัลลอฮ์สุลตาลาก็บอกว่ามันเป็นคํากล่าวของรอซูลินนะครับรอซูลินกะรีมที่หมายถึงเนบีมหมฮ์มัดสุลลัลฮุลอิสลัมมันมีหลายอายะนะครับและหลายอายะนั้นกล่าวในหลายๆโอกาสอัลลอฮ์สุตาราได้ยืนยันว่ามันเป็นอันกุรอเนี่ยมันเป็นคําพูดของจิบบริน และในบางอาะฮ์ลอสตูตาบอกว่ามันเป็นคําพูดของนบีหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นคําพูดของจิบรินที่ได้นํามาจากอัลลอฮ์ที่ได้นําดํารัดบัญชาใช้จากอัลลอฮ์และมาเผยแผ่ให้กับท่านนาบีนํามาให้กับท่านนาบีแล้วนบีก็ได้เผยแผ่คําพูดนั้นอัลลอสตูตาจึงยืนยันว่านาบีได้พูดคํานี้จริงๆที่มาจากอัลลอฮ์สุภานนตาอัลลอฮ์ไม่ใช่คําพูดของชัยตอน ไม่ใช่คำพูดของนักกวีไม่ใช่คำพูดของใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันคือดำรัสที่อัลลอฮสุตลาได้บัญชาให้กับท่านนาบีมาเผยแพ่ลายซันคุรานเกาลิอัฮะดิมินัสชาตีนวะฮุมุลกูฮนะอัลลตีตูฮาอิลฮิมุชชาตีนอัลวะฮีอัลวะฮยกวียักซิบูนมะวยักซิบูนมาฮูวียัขบรูนนะส์ฟ่ายซุนูนะฮุมซาดีนนะครับ อันกุรานไม่ได้เหมือนกับถ้อยคำของหมอผีหมอดูนะครับที่ชัยตอนมาบอกพวกเขาชัยตอนมาบอกพวกเขาให้เขาพูดบางครั้งมันก็เป็นเรื่องโกหกบางครั้งมันเป็นมันก็เป็นเรื่องจริงแต่บ่อยครั้งนั้นมันจะเป็นเรื่องโกหกนะครับที่นักหมอผีหมอดูทั้งหลายเนี่ยพอพวกเขาจะพูดอะไรออกมามีคนมาถามสิ่งลนลับสิ่งนั้นยังสิ่งนั้นหายไปหรือยังสิ่งนี้ยังอยู่ไหมสามีฉันไปไหนอานาคตฉันจะเป็นอย่างไรนะครับพวกเขาก็จะเอา รอคําตอบจากชัยตอนนะครับที่ไปแอบฟังวาฮีจากอัลลอฮ์สุลฮานตลาไปแอบฟังคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้กับบรรดามาเลิ ก, กะทุกวันอัลลอฮ์สุตลตาร์จะมีคําสั่งและบรรดาชัยตอนนะครับมันจะต่อตัวกันขึ้นไปนะครับในที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลแลมบอกว่ามันจะทับซ้อนตัวกันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะแบบเนี้ยความมากของมันนะต่อตัวจนไปถึงชั้นฟ้านะครับเพื่อที่จะไปฟังคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุลฮานอตอาลาที่สั่งใช้บรรดามาเลิกะ กุลลุเย่มินหัวฟีชะนินทุกวันอัลลอฮฺสุรรตลตาาจะมีกิจการงานของพระองค์มีคำสั่งใช้บัญชาใช้มาลายกาทั้งหลายนะครับมันก็จะไปแอบฟังและถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุลตาาเผยให้กับมันรู้บางประการเพื่อที่จะเป็นบททดสอบให้กับมนุษย์เนี่ยมันก็จะเอาชัยตอนเหล่านั้นมันก็เอาข่าวที่อัลลอฮมาบอกว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ อ, อดเนี่ย ม, มันรู้อยู่แล้วเพราะมันมีชีวิตอยู่ยาวนาน ปัจจุบันมันก็ยังมีชีวิตอยู่แต่อนาคตบางเรื่องนะครับมันไม่สามารถรู้ได้แล้วมากต่อมากมันก็โกหกให้กับหมอดูหมอผีที่ใช้สื่อชัยตอนในการรักษาสื่อชัยตอนในการเดาทํานายถ่ายทักเนี่ยนะครับได้ร่วงรู้ถึงบางอย่างจากช้ยตอนเป็นดังนั้นมันก็จะตรงความจริงนะครับในตรงความจริงในบางเรื่องในเรื่องของอนาคตนะครับแต่อดีตเนี่ยมันเดาได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันมันผ่านมาแล้วมันมีอายุหลายร้อยปี าปัจจุบันมันก็เห็นนะครับสิ่งที่มนุษย์ทําอยู่ถึงแม้ว่ามนุษย์จะไม่เห็นกันเองแต่มันก็เห็นในสิ่งที่มนุษย์ทำอยู่ตอนนี้มนุษย์คนนั้นอยู่ไหนมันก็สามารถมาบอกได้นะครับแต่อนาคตเนี่ยมันส่วนมากแล้วมันจะเป็นการคาดเดาแต่ที่จะตรงได้ก็เพราะเหมือนได้รับรู้นะครับหรืออโลเผยให้มันรู้เพื่อจะเป็นบททดสอบกับมนุษย์ที่ยังหลงงมงายอยู่ว่าเห็นไหมหมอหมอดูคนนี้แม่นหมอดูคนนี้พูดจริงนะครับเป็นบางเรื่องที่อโลเผยให้ได้ยินเท่านั้นเอง แล้วอัลลอฮฺสุต阿拉ก็จะให้มล า, ายกะนะิกาใช้ดวงดาวนะครับรูจูมันลิชชยาตีนเป็นอาวุธที่ใช้ขว้างพวกมันตอนที่มันต่อตัวกันขึ้นไปเพื่อที่จะไปแอบฟังวาฮีของอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาดังนั้นตรงนี้นะครับอัลลอฮฺสุต阿拉จึงยืนยันว่าคําพูดของมุฮัมมัดที่ได้ยินมาจากมล า, ายกิกานําสารมาจากอัลลอฮฺสุต阿拉นั้นไม่ใช่คําพูดของชัยตอนไม่ได้เหมือนกับหมอผีที่มันรับนะครับ วาฮีจากชัยตอนมาอีกทีหนึ่งและก็มาบอกให้กับผู้คนซึ่งโดยมากแล้วจะเป็นการคาดเดาเป็นการโกหกแต่ท่านนาบี ม, มหามะซุลสลัมนั้นทั้งหมดนั้นเป็นความจริงที่มาจากอ AH ัาาาา عة, ลลอฮฺสุบฮานาห์มุตะอาลานะครับเป็นความจริงที่มาจากอัลลอฮฺและเป็นความจริงที่มนุษย์ไม่สามารถร่วงรู้ได้เป็นศัตธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออันกุรอานนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุอัลต阿拉ที่ได หลังจากที่อัลลอฮฺสุลตาราได้ปกป้องนะครับท่านนาบีมหามะฮ์มัดสุลตาล์มต่างๆนานาด้วยกับส่งมาลายกะมาด้วยกับดํารัตด้วยกับอันกุรอานด้วยกับการยืนยันนะครับจากตัวตนของอัลลอฮฺสุฮาห์วัลลอฮฺเองว่านาบีนั้นเป็นคนที่สัต์จริงเป็นคนพูดจริงสิ่งที่ท่านนาบีมาพูดมาสอนนั้นเป็นกุรอานจริงๆนะครับมาจากอาลัลลอฮฺจริงๆอัลลอฮฺและอัลลอฮฺสุลตาราก็ได้ ตรัสอีกนะครับว่าฝไอ้นัสฮาบูนและพวกเจ้าจะไปทางไหนอีกจะไปทางไหนอีกจะโกหกมฮัมมัดจะโกหกอะไรอีกนะครับจะใส่ร้ายอะไรมุฮัมมัดอีกจะทําร้ายมุฮัมมัดอีกไหมนะครับลอสตาก็ถามว่าฝ่ายนัสฮาบุนจะไปไหนอีกละ่ะนะครับหมดหนทางแล้วที่พวกเจ้าจะนะดูถูกเย็ดย้มหรือว่าดิสเครดิตนะครับลดความน่าเชื่อถือของมฮัมมัด พวกเจ้าจะไปกล่าวร้ายอะไรต่างๆนานามันหมดหนทางแล้วเพราะว่าความจริงได้ปรากฏหมดแล้วเหลือเพียงอย่างเดียวเจ้าจะศรัทธาไหมเจ้าจะไปในอีกอิน u ัวอินละซิกรุลินอัลละมีนและกุรอานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเนี่ยุรอานนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นได้นอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ประชาชาติทั้งมวลนะครับอัลลอสุดารยืนยันว่ากุรอานนั้นเป็นมุอจิซาที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นคำภีเล่มเดียว จากบรรดาคัมภีรทั้งหลายที่ไม่ถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะมาจากอัลลอฮ์ก็ตามคำพีซาบูตที่อัลลอฮ์สา่งประทานให้กับนะครับดบีดาวูดคำพีเตารอ์ที่อัลลอฮ์สั่งประทานให้กับนบีมูซาคำพีอินจ uh ีนให้กับนบีอิสลาฮิสเลัมซูฮูฟูซูฮูฟีอิบราฮิมวัมูซาซูฮูฟที่ให้กับนบีอิบราฮิมและก็นบีมูซาอีกเนะี่ยนะครับ ทั้งหมดนั้นมาจากอัลลอฮ์ก็จริงแต่ปัจจุบันนี้ถูกบิดเบือนเปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วพ่อลอสต้าไม่ได้สัญญาว่าจะทรงปกปักรักษาพิทักษ์มันเอาไว้แต่อันกุรอานอัลลอฮ์ทรงสัญญาว่าอัลลอฮ์จะพิทัก์มันไว้จนถึงวันเกียร์มาและมันเป็นมุอจิซัตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อัลลอสต้าได้ให้สนับสนุนแก่ท่านอบีนะครับมันจะอยู่จนถึงวันกียร์มา อินหัวอินและดิโครลินอาลามีดมันไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยไม่ใช่คําผูดชัยตอนไม่ใช่สิ่งที่มุฮัมมัดแต่งขึ้นมามันเป็นอันกุรอานมันเป็นสิ่งที่มาเตือนแก่มนุษยชาติทั้งปวงมันเป็นประโยชน์ให้กับพวกเจ้าและมนุษย์นะครับต่อไปจนถึงวังกียร์มาดังนั้นนะครับเมื่ออัลลอฮฺตรามาบอกว่ากุรอานมันมีความสําคัญกับชีวิตของเราขนาดนี้เนี่ยเราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่ย้อนกลับมาเรียนอันกุรอาน เราจะไม่ย้อนกลับมาพิจิตรพิพจรารณาให้ควรอันกุรานนะครับมันก็เป็นความละหล้วมความละเลยของเราอย่างมากทาั้งๆที่อัลลอฮฺสุลต่านได้ยกย่องปกป้องนะครับแล้วก็บ่งบอกว่ากุารานนี้มันยังประโยชน์ให้กับเราให้กับผู้ศรัทธามันคือคู่มือแห่งการดําเนินชีวิตว่าวันนี้อัลลอฮฺสุลต่านสร้างเรามาในโลกนี้อัลลอฮฺสุลต่านต้องการอะไรบ้างนะครับจากเราต้องการให้เราได้ปฏิบัติสิ่งใด และสิ่งใดที่เราทำแล้วมันจะได้รับความพอพรทัยจากอัลลอฮ์มันอยู่ในคำภีที่อยู่ข้างกายเราตลอดเวลานั่นก็คืออันกุรานนะครับเพียงแต่ว่าเรานั้นไม่ให้ความสนใจกับมันเราไม่เรียนเราไม่รู้เราไม่สนใจนะครับสิ่งที่อยู่ในอันกุรานแต่วันนี้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือหนังหานะครับนิยายหนังสือการ์ตูนหนังสือมากมายในโลกนี้เราสามารถอ่านได้หมดแต่เราไม่สามารถเข้าแจอกุรานได้เราไม่ได้เรียนอันกุราน เราไม่ได้อ่านอัลกุรอานเราไม่ได้ใคร่ควรอัลกุรอานนะครับทั้งๆ ท, ที่อัลกุรอานนี้เป็นคำภีเล hm ่มเดียวที่อ่านแล้วได้บุญ พ, พ, พ id, ินิจพิจารณาได้บุญใคร่ควรแล้วได้บุญนะครับเจตนาที่จะสอนได้บุญคนที่สอนนั้นเป็นคนที่ดีเลิศที่สุดก็คือคนที่สอนกุรอานและคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานก็คือคนที่ดีเลิศที่สุดนะครับกุรอานมีกุรอาน ม, คามีความสัมพันธ์กับชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างมากนะครับกุรอาน เป็นธรรมนูญแห่งการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธาถ้าวันนี้นะครับเราพยายามศึกษากฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ให้ปลอดภัยเพราะเราอยู่ในบ้านเมืองที่ต้องใช้กฎหมายกุฟฟาร์นะครับเราก็เลยศึกษาแต่เราไม่เคยศึกษากฎหมายจ้าของอัลลอฮฺสุลตารที่อยู่ในอันกุรอานเลยว่ากฎหมายนี้นะครับเรากาลังผิดกฎหมายของเราอยู่หรือเปล่าหรือ เรากําลังพลาดอะไรไปหรือเปล่านะครับเราละเมิดกฎหมายของลอสต้าอยู่หรือเปล่าหลายๆคนนั้นไม่เคยศึกษากฎหมายของอัลลอฮ์จากอันกุรานเลยแต่เรานั้นเป็น <si น so ักกฎหมายของดุลยาเรารู้กฎหมายของดุลยาเพราะเรากลัวกฎหมายของดุลยาเรากลัวเราจะพลาดเราจะผิดเราศึกษาได้หมดนะครับในกฎหมายของดุลยาเนี่ยแต่เราไม่เคยศึกษากฎหมายของอัลลอฮ์สุตราที่อยู่ในอันกุรานที่อยู่ที่ถูกระบุ ไว้นกุรานว่าใครผิดกฎหมายนี้ใครผิดกฎนี้นะครับเขาจะถูกล ง, ลงโทษอะไรทั้งในดุนยาและอาคิรอเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากซะยิ่งกว่ากฎหมายของบ้านเมืองมากซะยิ่งกว่ากฎหมายของกูฟาตมุชริกีนนะครับที่มีความละหลัวมีช่องโหว่นะครับมีความช่อฉนมีความมีความบิดผิวนะครับมีการ มีความซนเหลม่มีมากมายสิ่งที่เป็นความละหลวมอยู่ในนั้นนะครับแต่กฎหมายของอัลลอฮ์นั้นเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์แบบนะครับไม่มีความละหลวมไม่มีความซนเหลม่มีแต่ความยุติธรรมให้กับผู้ศรัทธาให้กับบ่าวของอัลลอฮ์สุพาห์โนตาลาแล้วอัลลอฮ์สุพาห์ตาล า, ลรราก็ทรงตัดเอาไว้อีกนะครับว่าลิม um ันชาอมิงกุมอียัสตะกีม นะครับและสําหรับบุคคลที่เขานั้นมีความปรารถนาจะยืนหยัดอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงนะครับตรงนี้อินชอนลอสนะครับส อ, อายะสุดท้ายเนี่ยเป็นสองอายาที่เชคอุซัยเมนได้อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมันรวมไปถึงเรื่องของอากีดาด้วยนะครับมันรวมไปถึงเรื่องของมาชีอะความประสงค์พระประสงค์ของลอสุมฮานตลาซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับอัลกออร์วัลกอดัร นะครับมันมีความเกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาของผู้ศรัทธาที่ยังมีความไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งอินช่าลนะครับในครั้งต่อไปเนี่ยนะครับคาบต่อไปผมจะมาอธิบายสองอายะสุดท้ายนี้เพราะมันต้องอาศัยในเรื่องของออการอธิบายนะครับแล้วก็มันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะยาวมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของอากีดาอิสลามียะด้วยเรื่องของกอรกอดัตนะครับ เรื่องของมาชฌีฐานความประสงค์ของเราความเรามนุษย์เนี่ยมีความต้องการไหมมนุษย์สามารถที่จะทําอะไรได้ตามอิสระเสรีบนความต้องการของเราในทุกเรื่องไหมนะครับและในเมื่อเราเนี่ยมีความต้องการจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้และลัทธิสุนตลาก็มีพระประสงค์ของลัทธิสุนตลาและความต้องการของเรานี้กับพระประสงค์ของลัทธิสุนตลานี้ขัดกันได้หรือไม่หรือจะต้องเป็นสอดคล้องกันไป เสมอไปนะครับและเมื่อเราประสงค์มีความต้องการที่ทําความชั่วเนี่ยแล้วอลัทธิสุตาละก็ให้มันเกิดเนี่ยนั่นหมายความว่าอลัทธิสุตาระประสงค์ให้ความชั่วนี้เกิดกับเราหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนรู้นะครับเพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจกับเรื่องของอัลกออร์ลกอดัตอินชออลลอฮ์นะครับในโอกาส ต, ต่อไปเนี่ยในะคาบต่อไปนะครับผมก็จะเอา2องอายาสุดท้ายนะครับมาอธิบายครับคิดว่าวันนี้อินชออลลอฮ์เราก็นะครับอธิบายกันเพียงแค่นี้ก่อน นะครับอายาที่ยี่สิแปดกับยีิบเก้าเป็นอายาที่มีความสําคัญแล้วก็ค่อนข้างที่จะอธิบายยืดยาวนะครับโดยกับท่านเชคกไซมินก็อธิบายเรื่องคอเดนก็ดัดไว้เยอะพอสมควรช็อตไว้คาบต่อไปนะครับถ้าอธิบายวันนี้ก็คงจะกินเวลายืดยาวและก็ยาวนานก็วันนี้ขอจากหลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอทักทายพี่น้องนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้จะมีเรียนตัปซิตนะครับแล้วก็เป็น ช่วงเวลาที่นะครับผู้คนก็คงจะออกไปทํางานดังนั้นคนรับฟังก็อาจจะยังไม่เยอะแต่ก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาครับพี่น้องก็ม า, าถ้าหากว่ามีความประสงค์อยากจะย้อนฟังก็ยินดีนะครับถ้าหากว่าพี่น้องจะร่วมกันแชร์เพื่อให้เกิดประโยชน์กับอีกหลายท่านนะครับก็จะเป็นผลบุญในการดาวว่าของพี่น้องด้วยนะครับก็ส่วนวันนี้นะครับคุณนูรุนฮูดานะครับอับดุล loh จากมาเลเซียอัสลามอวยกุมวาลิกุมอัสลามชัดเจนดีนะครับแล้วก็อาจารย์นะครับกุเรชนุสดินนะครับบ้านบิมคองชัดเจนนะครับมาชอแล้วนะครับอาจารย์กุเรชของเรานะครับหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้รับชมรับฟังการไรสอดสอนศาสนาของท่านอาจารย์กุเรชบ้างนะครับท่านอาจารย์ท่านคุณก๊อฟฟารีอัสลามอวยกุมวาลิกุมอัสลามนะครับแล้วก็อ่าไบมาเล็กนะครับบางขุนเทียนชัดเจนนะครับอัสลามอวยกุมนะครับ แล้วก็นิดาดานะครับของสวนชัดเจนค่ะนะครับสาลาโมลิกลุมครับนี่ครับวันนี้ผมก็ตอนนี้ก็กลับมาเชียงใหม่กันแล้วนะครับก็จะมีสอนไลฟ์สดกันต่อเนื่องนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอพี่น้องนะครับช่วยแชร์นะครับแล้วก็ช่วยบอกกล่าวติดตามสถาบันเดนุสิลามประจำจังหวัดลําปางนะครับเราก็จะมีการเรียนการสอนอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ มีหลายคณาจารย์นะครับมีทั้งผมมีทั้งอาจารย์ยูนุสแล้วก็อาจจะมีการแชร์บทความอะไรต่างๆนานาก็ขอพี่น้องนะครับช่วยแชร์ช่วยติดตามแล้วก็สิ่งใดมีประโยชน์นะครับก็ขอช่วยเหลือก็ขอช่วยกันในการได้ว่าแล้วก็สิ่งใดที่มีความผิดพลาดก็รับฟังการติเตือนได้นะครับแล้วก็การตักเตือนนักศึกจะยังประโยชน์กับพวกเราทุกคนส่วนวันนี้ก็ขอจากลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้นะครับดูอาปิดประชุมร่วมกันนะครับ سبحانك اللهم منك <مكن> الشهر والليلة إ لا أنت أستهفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته